สิกขาบทวิพังห้าห้ที่ชื่อว่าใหม่พระองค์ตรัสมุ่งเอาการกระทําที่ชื่อว่าสันทัดได้แก่ผ้ารองนั่งที่หล่อไม่ใช่ทอคําว่าผู้ใช้ให้ทํำคือผู้ทําเองหรือใช้ให้ทํำคําว่าเอาขนเจียมดํำล้วนสองส่วนความว่าช่างแล้วเอาขนเจียมดํำล้วนสองช่างคําว่าขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สามคือ ขนเจียมขาวหนึ่งช่างคำว่าขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สคือขนเจียมแดงหนึ่งช่างคำว่าถ้าเธอไม่เอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวเป็นส่วนที่สขนเจียมแดงเป็นส่วนที่สความว่าไม่เอาขนเจียมดำล้วนสองช่างขนเจียมขาวหนึ่งช่างขนเจียมแดงหนึ่งช่างทำเองหรือใช้ให้ทําสรรถัดใหม่ต้องอบัตทุกกฎเพราะพยายาม สันถัดเป็นนิสขิยะเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุเพึ่สละสันถัดที่เป็นนิสกียอย่างนี้